ในโลกเนีใครสอนเกง่งในโลกทุกยุคทุกสมัยใครเป็นผู้สอนเกง่งใครสอนทั้งมนุษย์สมบัติสวรรคสมบัติพรสมบัตินิพพานสมบัติด้วยใครเป็นผู้สอนเกง่งพระพุทธเจ้าฮะตอบถูกพระพุทธเจ้าสอนเก่งด้วยถูกด้วยเป็นธรรมด้วยไม่เข้าข้างตัวด้วยไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยไม่เป็นอัตราธิปไตยด้วย ไม่เป็นโลกาทิปไตยด้วยเป็นธรรมาธิเไตยรุนล้ว น, วนคาสอนพรพุทธศาสนาะใครเอาไปปฏิบัติก็สมทนะหมดทุกชั้นวันนะเหมือนอาหารที่ไม่เสลงใครเอาไปทานก็ไม่เสลงเลยคำสอนพระพุทธศาสนาะวัตถุใดๆในไทโรสชาติมันก็เป็นเรืองขึ้นของวัตถุใจเพราะใจเป็นผู้ประพฤติทาดีทำชั่ว นอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให enfin ้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจวัตถุดีรือวัตถุชั่วก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละท่านแต่ละคนคนจะมีมากสักเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับใจของแต่ละท่านแต่ละคนความดีความชั่วไม่ขึ้นอยู่กับดีฟ้าอากาศขึ้นอยู่กับใจแต่ละท่านแต่ละคนเลย นอกจากใจไม่มีอะไดจะทําดีให้ใจนอกจากใจก็ไม่มีอะไรจะทําชั่วให้ใจใจเท่านั้นทําดีให้ใจใจเท่านั้นทําชั่วให้ใจบาถ้านก็บอกว่าลลกปู่ลูกปู่ไล่ผีให้ด้วยไล่ผีก็ไล่ออกจากใจใจไม่ถือผีผีก็ไม่มีในใจผีไม่มีแก่ผู้ไม่ถือบาปไม่มีแก่ผู้ไม่ทํา ผัวเมียไม่มีเก่ผู้ยอมเป็นโสตใช่ไหมหมดปัญหาใช่ไหมวันนยัดก็ยัดเข้าที่ใจปฏิบัติก็ปฏิบัติเข้าที่ใจปฏิเวกก็คือผลของใจที่ปฏิบัติใช่ไหมพระสูตรก็สูตรของใจพระปรมัตตก็มัดเข้ามาหายใจ อาอธรรมก็ทรงอยู่ที่ใจไม่ทรงอยู่ที่อื่นพูดน้อยก็น้อยออกมาจากใจพูดมากก็มากออกมาจากใจเพราะคนตายพูดไม่เป็นใช่ไหม <c oughs> ฟังเทศก็คือฟังใจผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ใจผู้ฟังก็เอาใจฟังตกลงก็เทศเรื่องของใจฟังเรื่องของใจใช่ไหม เพราะคนเพราะคนตาไม่รู้ไม่รู้อีหนูอีลี่อะไรเพราะวิญญาณไม่อยู่ในที่นั้นศีลจึงมีตัวเดียวคือศีลใจสมาธิตั้งมั่นลงในที่ใจปัญญาก็รอบรู้ลงในที่ใจพูดลงเป็นหนึ่งเพื่อให้ปฏิบัติง่ายศีลห้าก็เป็นเชือกห้าเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจศีล ส, สิบก็เป็นสิบเกลียวเหนียวอยู่ที่ดวงใจ ศี ส, สองรอยยสิ็ด ก, ก็เป็นสองรอยยิสเจ็ดเกลียวเนียวอยู่ที่ดวงใจแปดเมือนสีพระธรรมขันธ์ก็รวมพลอยู่ที่ดวงใจไตรสิขาคือศีลสมาธิปัญญาก็รวมพลอยู่ที่ดวงใจทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาทําไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูจมูกกลิ่นกายใจ เพราะสัต์ทั้งหลายชอบเลียงแลดูรูปจึงมีตาเพราะชอบฟังเสียงจึงมีหูเพราะชอบดงกลิ่นจึงมีจมูกเพราะชอบริมรถจึงมีลิ้นเพราะต้องโผล่ะพด้วยกายเย็นร้อนอ่อนแข็งจึงมีกายเพราะต้องการธรรมารมอยู่ที่ใจจึงมีใจส่วนท่านทุกขพ้นไปจากตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้ว กายเป็นตาสักว่ากายใจเป็นตรสักว่าใจไปแล้วตาหูจมูกลิ่นกายก็เป็นตรสักว่าตาหูจมกูกเินกายไม่ได้ติดอยู่ในเงื่อนใดๆทั้งสิ้นรู้ตามสมมุติตามมันจริงของสมมติรู้วิมุติตามมันจริงของวิมุติไม่ติดอยู่ในทั้งสมมุติและวิมุติ ด, ด้วยท่านผู้นั้นก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วพระบรมศาสดาเรามีใจอยู่ เราเองมันก็ไม่ยึดถือใจว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเหตุนั้นราคะโทสะโมหะของเราจึงไม่มีที่ตั้งอยู่ที่ดวงใจโรมศสสราเหตุฉะนั้นเราจึงบัญญัติว่ารูปจิตเจตสิกนิพพานนิพพานไม่ใช่ใจใจไม่ใช่พระนิพพานใจถ้าทำถูกก็เป็นค้นทางเข้าสู่พระนิพพานถ้าทำผิดก็ลงสู่นะรกคือรกอยูที่ใจ นิพพานก็คือไม่ยึดถือใจถือว่าใจเป็นของว่างทาทั้งหลายเข้ามาหาใจกัใจก็เป็นของว่างไม่ใช่สา์ไม่ใช่บุคคลเราก็ไม่ได้ยึดถือในเงื่อนที่ว่างแล้วไหมว่าเหตุนั้นใจของเราจรึงไม่มีกิเลสตัโงโลมศาศาศาัสสาราใจของเราแต่ก่อนเรายึดถือใจใครมาต้องไม่ได้เดี๋ยวนี้ใครจะต้องเราก็ไม่มีโทษแต่ผู้ต้องไม่ถูกมันเป็นบาป แต่เราไม่ได้เป็นบาปด้วยนกบินในอากาศก็ไม่มีรอยช้นใดใจเราจะท้าทก็อย่างนั้นโรมศาสนาพูดอย่างนั้นไม่เฉียนหน้าไม่มีแผลชั้นใดใจของเราจะท้าทก็อย่างนั้นเราเคยติดอยู่มีผู้ยอเราก็เคยติดอยู่มีผู้ติเราก็เคยโกรธแต่เดี่องนี้จติตเราหรือจะยอเราเราก็ไม่ติดอยู่ เราเพิ่นไปจากไกลแล้วเราไปยึดถือเอาใจเป็นตนๆนเป็นใจเราก็ไม่ต้องรักษาใจเพรมศาสตราพวกคุณต้องรักษาใจไม่รักษามันก็ผิดจริงจริงแต่เรามันพอแล้วมันไม่ผิดใจของเราเราไม่รักษาใจถ้าเรารักษาใจอยู่เราก็เป็นทุกข์เหมือนคนคุมนักโทษเพราะเกรงนักโทษจะทําอันตรายแกย่ตนด้วยเกรงนักโทษจะหนีด้วย เราไม่กลัวแพ้กลัวชนะกับท่านผู้ใดเลยเราไม่มีทิฏฐิมานณอยู่ที่ดวงใจเหตุนั้นใจของเราจริงไม่มีอันตรายใดทั้งชินพูดตรงที่นี้ไม่พูดไปที่อื่นเลยความตรึกเป็นเครื่องสัญจรของโล ก, กจริงแต่เราไม่ได้กำหนัดในความตรึกอดีตคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังม来มาถึง ปัจจุบันคือผู้ลู้ที่กําลังเป็นอยู่เราไม่ติดสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้ด้วยโลกอดีตโลกอนาคตโลกปัจจุบันเราก็ไม่ติดอยู่เหตุ น, นั้นเราจึงข้ามทะเลหลงไปสักเัวลงมาจักก็เธอพวกคุณพวกลูกพวกหลานท้างหลายยังข้ามทะเลหลงไม่ได้เราข้ามไปแล้วไปอยู่ฝั่งฝั่งฟ้าที่ไม่มีเราไม่เขาข้ามภูเราภูเขาไปแล้วเราเขาจึงไม่มีในเราแต่ฐานก็ ว่ า, าเราถ้ากษตเราก็พูดตามสมมุติเฉยๆไม่ได้ไม่ได้ยึดถือสิ่งใดในโลกพระบรมสาราเหตุนั้นวิญญาณปฏิสัณฑ์ของเราจึงไม่มีเจ็บปวดไหมท่านพูดพระบรมสารานั่นคืออะไรคือแผนที่พระบรมสาราเป็นแผนที่คําสอนแต่ละบทละบาทส่งต่อพระนิพพานทั้งนั้นคล้ายๆกับว่า ลูกเอ๋ยนะเอ๋ยเข้ามาทางนี้สักคำสอนเจริญวัระบาดอยู่ทางนั้นมันยุ่งมันเยิงมันวุ่นวายมันขัดข้อเหตุนั่นพยศ ก, กุลบดไปเห็นนางสนมกรมวมาัางนอนเกื่อนกาดอยู่ขยายผมอยู่ก็มีตอนจวนจะสว่างเปิดเปิงมางอยู่ก็มีเคละไหลออกก็มีขยายผมอยู่ก็มี เหมือนป่าชาปีดิบมามองเห็นแล้วก็ น, นอนอยู่เออที่นี่วนวายเนาะที่นี่คัดข้องเนาะที่นี่วนวายเนาะที่นี่คัดคล้องเนาะแล้วสวมรองเท้าออกหนี้เลยเหมือนป่าชาปีดิบบางคนบ่นและเมือเพื่อพึมพรรมันบางคนเขละไหลออกนอนอาปาบางคนก็สบายสลายผมบางคนก็บางคนก็ ชินนุ่งชิ้นะแต่ก่อนชิ้นพันคออยู่ที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องที่นี่วุ่นวายที่นี่คัดข้องเดินไปบริกรรมไปไปนานพอสมควรตอนจะสว่างพเพราะบรมศาสด า, าลุกเดินจงกรมอยู่แต่แต่เช้าเลยครเทวดาบรรดาลให้ไปทางนั้นที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่มาคัดข้อง เสียงเย็นจริงเข้าไปหาเข้าไปหาน่แถอดรองเท้าที่นี่บันไม่บุ่นวายที่นี่มาคัดข้องนั่งลงเถิดเราจะแสดงธรรมแก่ท่านก็ที่จิตที่ใจของท่านไม่วุ่นวายอนี้ที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่คัดข้องเนาะก็คือที่จิตที่ใจของผู้นั้นเองที่นี่ไม่วุ่นวายที่นี่มาคัดข้องคือ ท, ท, ที่จิตที่ใจของท uh, ่านมาคัดข้องเพราะไม่มีกิเลสแต่เาไปที่ไหนมันก็ เจอแต่ที่หุ่นมาที่คัดข้องที่หุ่นวายที่กระข้องพ า, าไปพาอยู่พากินพานึกอพาคิดถูกไหมเ <c oughs> นี่ยฉะนั้นท่านจึงว่าความตริกเป็นเครื่องสัญจรของโลกเรารู้เท่าตาเท่าหูเท่าจมูกเท่าลิ้นเท่ากายเท่าใจและเราไม่ติดอยู่ในตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้เท่าอาดีตอนาคตปัจจุบันแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาม เราลู่สมมติตามเป็จนจริงของสมมติตรารู้ไม่มุด ต, ตามเป็นจริงของไม่มุิแต่เราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองเราลู่พระนิพพานตามเป็จนจริงของพระนิพพานเราลู่สังขารตามเป็จนจริงของสังขารแต่เราไม่ติดอยู่ในพระนิพพานในสังขารด้วยเหตุนั้นกิเลสของเราจึงไม่มีพระบรมสาราใจพระบรมศาสนาก็เหมือนดินเหมือนน้ําเหมือนไฟเหมือนลมทําไมจึงไม่หา หน้ามันเขาไปขี่ใส่มันก็ไม่ว่าเขาไปทําอะไรมันก็ไม่ว่าเขาไปต้มมันก็ไม่ว่ามันไม่จองเวนไฟก็เหมือนกันเขาไปเผาอุจจาระมันก็ไม่ว่าเขาไปเผาซากศพเหม็นหมิ่นมันก็ไม่ว่าเขาไปเผาอะไรมันก็ไม่ว่าลมก็เหมือนกันมันมันก็ไม่ไยืนยันว่ากูไปพัดของเหม็นของหอมอะไรอะไรมันก็ไม่ยืนยันเธอ น้ำก็เหมือนกันเขาเอาไปร่างอะไรมันก็ไม่ว่าเขาไปต้มอะไรมันก็ไม่ว่าจิตใจของพวกเธอทั้งหลายไม่เหมือนดินน้ําไฟลมพวกเธอทั้งหลายไม่พ้นจากกิเลตเลยพระบรมสารณาเขาไปทําอะไรมันก็ไม่ว่าดินน้ําไฟลมภายนอกแล้วไปขี่ใส่มันก็ไม่ว่าแล้วไปเยี่ยบใส่มันก็ไม่ว่าเราเอาไปต้มมันก็ไม่ว่าเราเอาไปอัดทำอะไรมันก็มว่าเอาไปจอบเฉียมไปขุดมันก็ไม่ผวกกองเวรกับใคร จิตใจของพวกเธอทั้งหลายเป็นเหมือนดินน้ำไฟลมนั่นเองจึงจะพ้นจากากิเลสทั้งปวงพรรมศาสตราพูดหลังเจ็บปวดไหมแต่ดินน้ำไฟลมของพวกเธอทั้งหลายเนี่ยถ้ามีผู้มาหยยบเท้าแล้วมึงไม่รู้จะกลัวหรือ <laughs> ท่านพูดไปถึงขนาดนั้นอะ นั่นคือตัวศีลนั่นคือตัวสวมาธินั่นคือตัวปัญญาคือตัวนิพพิธาวิดาฆะวิมุตติสุดทิฏฐินิพานอยู่ในตัวแล้วท่านพูดอย่างนั้นพูดมากก็มากออกมาจากใจพูดน้อยก็น้อยลงหานลงมาหายใจคําว่าโวหารก็หานลงมาหายใจโวหารกับโหรหอนก็อันเดียวกัน <c oughs> หอนอยู่เหมือนสุนัข ศีลมีตัวเดียวสมาธิมีตัวเดียวปัญญามีตัวเดียวไม่มีมากตัวหรอกเข้ารวมลงมาที่ใจผมพูดนะมโนผู้ฟังขมาธรมาโมโนเสดท่ามโนัญญาทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่สําเร็จอยู่ในเพว่อใจปฏิบัติใจก็คือปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาด้วยนอกจากใจก็ไม่มีอะไรกระถือใจใจใครใส่ชื่อเรือนามให้ตาหูจมูกเลี้ยงกายใจเป็นผู้ใส่ชื่อเรือนามให้ ใจไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้คนก็ใส่ที่ว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใช่ไหมใจพาอยู่ใจพาไปใครเป็นผู้พูดก็กายสังขารเมื่อกี้สังขางรจิตตสังขารรวมกันพูดใครเป็นผู้ฟังก็จิตตสังขารใจนายสังขารเมื่อกี้สังขารจิตตสังขารมีใจเป็นพระหน้าพาฟังเทเสตเทศเรื่องใจฟังก็ฟังเรื่องใจ ผู้ฟังก็เอาใจฟังผู้เทศก็เอาใจเทศผู้พูดก็เอาใจพูดผู้ฟังเข้าใจฟังบางท่านก็บอกว่าวิญญาณมีจริงหัหยก็ผู้ถามก็อโมโนวิญญาณถามผู้ตอบก็อโมโนวิญญาณตอบก็ถามกันจริงจี <c> ๋ <oughs> ถามคนตายมันก็ไม่รู้นีน่มีใจเป็นว่ากยังรู้นัน บ, บ, บเมะถหินเม็บทรายดูหรือภาษาดีดูนับไปเห็นไม็ดทรายท่านนับยังไง ในชอบมหาสงุ์หรือในสีมหาสงฆ์ก็ตามลมพัดไปที่ไหนท่านก็จับนับได้น้ำมีอยู่ที่ไหท่านก็นับได้ไฟธาตุไฟมีอยู่ที่ไหนท่านก็นับได้ธาตุลมพัดไปมาอยู่ที่ไหนท่านก็นับได้คือท่านนับยังไงนับจนถึงอสังขัยสังไขัยท่านก็นับได้จริงนับฝ่ายย่นก็นับได้สินับเม็ดหินแม็ดจายสิ่งที่เป็นของแข็งก็ย่นเข้ามาในธาดินจั๊กาตสี พทีธาตุธาตุดินอาโปธาตุธาตุน้ำเตโชธาตุธาตุไฟวายโยธาตุธาตุลมหนึ่งนิดหนึ่งน้ำหนึ่งไฟหนึ่งลมเอจะพระธทาตุหนึ่งดินเอจอาโปโปธาตุหนึ่งน้ำเอกะายโยธาตุหนึ่งลมเอกะเตโชธาตุหนึ่งไฟถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงล้านล้านผู้นับก็ผีบ้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้าใช่ไหม แล้วร็ทุกข์กย็ยอนองว่าหเอกกทุกข์ในปัจจุบันเห็นทุกข์ในปัจจุบันชัดแล้วทุกข์ในอดีตอนาคตก็ไม่ต้องสงสัยใช่ไหมเห็นปัจจุบันนรกโลกอดีตโล ก, โลก อ, อนาคตก็ไม่ต้องสงสัยเห็นความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เก็บตายไม่ต้องเห็นก็นได้ใช่ไหมมันเล่วกันอยู่ในตัวใช่ไหมโลกอันนี้รุษชีตีติแปงผู้ย่อยรับไปพรบรมาศาสนาพูดตามเป็นจริง ไม่ได้ใส่ร้าย้ายสีการพูดอย่างนั้นรุดฉี่ตีติเป่าผู้ย่อยยับไปโลกในอดีตโลกอนในอนาคตโลกปัจจุบันเหมือนกันสังขารโลกโลกคือสังขารสัตว์โลกโลกคือหมู่สัตว์โอกาสโลกโลกคือแผ่นดินมนุษย์โลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เทวโลกได้แก่กามาพระสรพุทชั้นพรหมโลกได้แก่รูปพรหมจุ๊หกชั้นและอรูปพรหมสี่ชั้น โรคทั้งหลายรวมลงมาในสังขารโลกสังขาราปรามาทุกขาสังข า, งารเป็นทุกอย่างยิ่งระปิดประตูดีๆแลนวนะตามเพิ่งฟังๆนู่นสังขาราปรามาทุกขาสังขารเป็นทุกอย่างยิ่งโลกเป็นทุกอย่างยิ่งเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกอย่างยิ่งก็มีความหมายอันเดียวกันสังขารใดเกิดขึ้นในอดีต สังขารนั้นจะดับในอดีตสังขารใดเกิดขึ้นในอนาคตสังขารนั้นจะดับในอนาคตสังขารใดเกิดขึ้นในปัจจุบันสังขารนั้นจะดับในปัจจุบันคำพูดใดๆที่พูดในอดีตคำนั้นก็ดับไปในอดีตนั้นแล้วผู้รู้นั้นก็ดับไปในอดีตแล้วคำพูดใดที่พูดขึ้นในปัจจุบันคำพูดนั้นก็จะดับในปัจจุบัน เสียงเข้าหูส่งลงถึงใจก็ดับไปเป็นวั ก, ก, ก, ก, กวักวักวักเลี่ยก็ติดกันเป็นพืชอยู่หาระหว่างไม่ได้แซบทั้งหลายไม่รู้เท่า ก, กวบของกูของกูของกูของกูสารพัดจะกอดเอาตกลงก็มีแต่ลมแต่แรงแต่มือ <c oughs> ร่วงไปร่วงไปวันนี้สวัสดีปีใหม่แต่ใกล้จะตายกว่าปีกายใช่หรือไม่ แต่ว่าให้พรกันฉันมิตคิดเมตตาเป็นวาจาภัยละเพราะพลื่งจริงธรรมะเป็นจังหวะให้ละโทสะโมโหไปในตัวเฉยเฉยไอ้ที่แท้ไม่ใช่ปีใหม่วันใหม่ก็ปีเดิมวันเดิมที่มันวนมานั่นเองปีเก่าวันเก่ามันวนมานั่นเองมันไม่ได้ยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นปีใหม่ปีเก่าข้าพเจ้าเป็นวันดีวันร้าย มันอุกกาบาทวันโกมันโลกาวินาศมันก็ไม่ได้ว่าไอ้จิตใจของเราไปเชื่อถือเข า, าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้ไปเทียวฟ้องเขาเราฟ้องเขาเราก็ติดคุกเขาก็เสียเงินเขาไม่รู้ไอ้หนุ่ยนี่อะไรดินเออดีละอันดีละ่ะใส่ชื่อข้าพเจ้าว่าดินนะข้าพเจ้าจะยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นดินมันก็ไม่ว่าใส่ชื่อว่าตาหูจมูกร่นกายครับ ครับมันต้องไม่ว่าแต่ไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนตนก็ใส่ชื่อว่าใจใจใจใ จ, ใจใถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจนะถูกไหมธทรมชั้นสูงของพระพุทธศาสนาพูดไปไหนมันก็ไม่ ไ, มไปมันก็มาหาผู้พูดมันก็มาหาผู้ฟังนี่เองมันก็โค้งมาเหมือนเราชี้ไปทางนี้เป็นเฉกสองของโค้งมาหาเรานี่มันไปทางอื่น นั่นน้ำนั่นไฟนั้นลมนั้นดินนั่นอากาศครับครับเขาทำไงว่าออไอ้ตัวใส่ชื่อเรียนะให้เขาแล้วก็มันหลงปัญหาหลงสมมุติของตัวเขาเป็นบ้าอยู่ที่ตัวเองหยอกเงาอยู่ที่ตัว น, นี้แล้วหยอกไปหยอดเงาแล้วหยอกเงาไปมาเท่าไหร่มันก็เหนื่อยที่เหนื่อยแล้วก็นอนเงาก็นอนมัน<笑><笑>ผัวกูเมียกู ว่ากูแม่กูถ้าตายแล้ววันหนึ่งสองวันไม่ไปจับเลยสามวันเน่าเฟะแล้วสี่วันเน่าเว้เรามาไปใกล้เลยได้ไหมนั่นเขาบอกเรามัศาตร์บอกสดาสอนว่าร่างกายนี้เต็มไปด้วยมูลคูดของไม่สะอาดมีประการต่างๆอัฐิมัติสมิงกายเยมีอยู่ในกายนี้เกษาคือผมโลมาคือขน หน้าขาคือเร็บดันตาคือฝันตะโจคือหนังมังสังคือเนื้อสิ่งเหล่านี้หล่นลงในอาหารเราก็กินไม่ได้ใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่จะโอปัญโกน้อมใจเข้าหาธรรมพิจารณาน้อมธรรมเข้ามาหาใจพิจาณาพัฒนต่งหากจะเห็นเองพระบระมช า, าตรลาเกลื อ, อนี่เค็มขนาดไหนเออเขาให้ลูกโลกหลานเขอให้พวกคุณพวกท่าน กิฟดูชิมดูหรือกืนกินดูมาถามเราจะทักวจนวันเส้นลมปราณพรากเธอไม่กิบดูกินดูมันก็ไม่รู้จักอันอื่นก็เหมือนกันเหตุนั้นจึงมอบให้ว่าเป็นสันทิติโกให้เห็นเองถ้าบังคับให้เห็นธรรมะเดี๋ยวมันหมดตังมันก็ขบวัตขืนใช่ไหม <c oughs> ท่านยังบอกว่าให้เห็นเองให้เลื่อมใสเองในพระพุทธศาสนาะไม่ต้องชวนเชื่อครับพูดแล้ว ให้มีอิสระเห็นเองเถิดให้มีอิสระรู้จักเองเถิดมันจึงไม่ขบคืนผู้เห็นโทษในหลุมฐานเพลิงก็ไม่เสียดายอยากจะลงลุยหลุมฐานเพลิงใช่ไหมผู้เห็นโทษในกองมูดคูดก็ไม่เสียดายอยากลงไปลุยใช่ไหมผู้ไม่เสียดายอยากจะเล่นอภาัายจะมุกก็อันเดียวกันผู้ไม่เสียดายอยากมาเกิดมาเก็มาเก็บมาตายเพอันเดียวกั น, นเห็นไทยในวัฏฏะสงสารก็คือ มีกุญแจเปิดประตูพระในพพานนั่นเองกุญแจสติกุญแจปัญญานอกจากปัญญาแล้วไม่มีอันใดจะชนะความหลงนอกจากสติได้ไม่มีอันใดจะชนะอันลืมสตินอกจากขยันก็ไม่มีอันใดจะชนะความเกียดคร้านใช่ไหมนอกจากความเมตตาไม่มีอันใดจะชนะโทสะใช่ไหมนอกจากราวิราค ไม่มีอันใดจะชนะราคะใช่ไหมนอกจากอะนอกจากอะโทสะก็ไม่มีอันใดจะชนะความโกรธใช่ไหมนอกจากความไม่โกรธจึงจะชนะความโกรธนอกจากความไม่หลงจึงจะชนะความหลงใช่ไหมนอกจากลืมตาจึงจะชนะมืดใช่ไหมนอกจากลืมตาก็ไม่มีอันใดจะชนะมืดก็มีลืมตาเทนั้นจะชนะมืดไม่แต่ตาบอด หรือในที่มืดเมื่อความอินปัตถนาพุทธภูมิเก่งเหมือนกันนะผู้หญิงน ะ, อะเอก่งเหมือนกันนะผู้หญิงผู้มีสร้างบารมีแก่ก้ามาแล้วก็ปาตตนาพุทธภูมิี่ท่านก็จะได้มาเกิดเป็นผู้ชายต่อไปในอนาคตท่านจึงจะสําเร็จพระสมาพุทธเจ้าเดีย๋ยวนี้ท่านยังเป็นเพศหญิงอยู่ท่านยังสร้างบารมีอยู่ผู้หญิงกลายเป็นเป็นผู้ชายก็มี เพราความปรารถนาภาพเพศผู้หญิงต้องการเป็นผู้ชายก็รักษาศิ้นแปดให้บริสุทธิ์รักษาปรารถนาผู้ชายก็เป็นผู้ชายเท่า น, นั้นก็ไม่ลําบากอันก็ไม่ลําบากก็แล้วแต่ความประสงค์ของเธอความประสงค์เขามีเขากระปรารถนาเป็นผู้หญิงก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันก็อยู่ภูมิพุทธภูมิจัดว่าพุทธภูมิเพราะยังสร้างบารมีอยู่ยังไม่สันในพระรหัตแต่ว่ายังเป็นผู้สร้างวุฒพุทธภูมิอยู่ ไม่ใช่สาวกภูมิไม่ใช่สาววิกาภูมิเป็นพุทธภูมิสร้างพุทธภูมิเพราะยังปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าอยู่แต่บาลมีแก่กล้าแล้วถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมีเราจึงเชื่อพระพุทธศาสนาปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทุกหมวดฉันท์พะพอใจรัละไข่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพี้ยนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้ จิตตะเอาใจฟักไยในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามันตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้คุณที่อย่างนี่มีบริบูรณ์แล้วอาชักนําบุคคลให้ถึงจ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่เหลือวิสัยศรัทธาเชื่อในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิทยะเพียรในกรรมฐานที่ตั้งไว้สติและลึกชอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้สมาธิตั้งมั่นในกรรมฐานที่ตั้งไว้ ปัญญารับรูปในกรรมฐานที่ตั้งไว้ศรัทธาความเชื่อวิทยาความเพียรจิตความเลื่อได้สมาธิความตั้งใจมัน่นปัญญาความรับรูปอินทรีย์ห้าก็เรียกพระห้าก็เรียกรวมกันเป็นเชือกห้าเสี้ยวเนียวรั้งอยู่ที่ปัจจุบันอันที่เราตั้งไว้ในกรรมฐานเดิมนั่นเองเราจะไปนีจจากกรรมฐานเดิมมันจะพ้าหัวเหินเดินอนกาศไปทกสร้างมันจะไปตือนไปท่วงกรรมฐานเดิมแหละ เป็นอาจารย์เดิมยัเป็นมาตราเหลืองไฟบันไดหื่งแรนใสไปเห็นนิเม็ดพุ่นคั่วพุ่นไปเห็นพุ่นคั่วพุ่นไปเห็นแล้วเดี๋ยวมาม่าไปเม็ดพุ่นกับไปคั่วพุ่นเห็นแสงสว่าพุ่นกับไปคั่วพุ่นบ่ยัดเสืเรื่องกรรมฐานเดิมยัดเสืเรื่องอาจารย์เดิมขันเรื่องอาจารย์เดิมนะทับแกกตั้งทับไม้เบาแล้วซักกับประสัดเห็นทีพี่จะหน้าอย่างกับประซัดคันเรื่องกรรมฐานเดิม กรรมฐานเดิมที่เราตั้งไว้กรรมฐานอื่นมันมันเป็นแม่เล็กมันดึงกรรมฐานอื่นมามัดะดึงวิปัสสนาปัจจาาลงมาดึงใจที่ขาลงมาใจหันใบกรรมฐานเดิมที่ตั้งไว้แปดมือที่ามัขันมันกดึงมาทหันใจวัดมตั้งคือลมออกลมเขาลมออกลมเขามันก็มีความเกิดใจเก็บตายจทุกลมออกลมเขามันก็มีคุนพระคุณพระธรรมปสคทุกลมออกลมเข่า มันก็มีหลบโกรดลงทุกร่งเข่าลับออกมันกับันเท่าหลโกดลงทุกล่องเข่ารัออกมันกับ่มีหลกโกรดลงทุกร่องเข่ารับออกคือกันถ้าไฟเกิดไฟรับก็มีทุกร่งเข่ารับออกถ้าไฟบ่เกิดบ่รับก็มีทุกร่งเข่ารัออกกระจุยหันเนี่ยมันกัดได้มดว่าสงัยเลยวันหันมันถีร่วมพับเข้าไปกับปอยมันซะเหมือนกำลังมันก็ถอนออกมาให้กันมันเป็นอันนี้จังอันละเอียดมันเฉะเห่อเหนืออากาศสมมติไปใช้กัามันมันถอนออกมาแล้วในพี่น้าของเก่าหันะ แยกไปวัดอื่นพอใจในตัวหันเพราะถ้าอยนี้ผมั้วฮันขั้วนี้ก็หันขั้วนี้เมื่อไรเอาอาจารย์เดิมละอาจารย์องค์นั้นเป็นอาจารย์สำคัญที่สุดอุปัชฌาเดิมเอาก็มาถามล่มพระใจเขาออกเป็นอุปัชฌาเดิมไปเห็นอย่างกับวัดเดิมมาทั่วเห็นอันที่จังทุกครั้งอารตตาพ่อผมก็ร่พรใจเขาออกกระยามันมันแห้งดีล่ะารล่ะเห็นุ้นพระพุทธธรรประสงบ่มีประมาณฟังเขาร่มพระใจเขาออกขุนปู่ขุนงาขุนตาคุนหน้าคุนพอคุนเมขุนผู้บ่าอาจารย์ มันรวมพ้นอย่างนีคุณนพุทธสมสงพุทธสมบูรณ์พ้นอย่างนคุ้นพลัพานเห็นพ่อมลมหายใจเขาออกมันจังมาสงสัยเมื่อตายก็เห็นพ่อมหลวงหายใจเขาออกก็ต้องการเป็นหน่วยก็ต้องการต้องการนั้นจะเห็นพ่อหลวงหายใจเขาออกดอันนั้นจังมากลังสงสัย